มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่หภิกษุจงใจพยายามเพื่อบูชายันและเพื่อจะไปสวรรค์น้ำอสจิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อบูชายันและเพื่อสืบพันเพื่อบูชายันและเพื่อทดลองภิกษุจงใจพยายามเพื่อบูชายันและเพื่อความสนุกน้ำอสจิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษ ภิสูจจงใจพยายามเพื่อบูชายันและเพื่อความหายโรคเพื่อบูชายันและเพื่อความสุขเพื่อบูชายันและเพื่อปัญญาเพื่อบูชายันและเพื่อเป็นทานภิสษจจงใจพยายามเพื่อบูชายันและเพื่อเป็นบุญน้ำอสิกิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษ